เพื่พ่อพ่เราทุกคนนะพอเรมาวันนี้วันหนึ่งนะมาวมกันปฏิบัติธรรมนะมาสองคืนที่ผ่านมานะก็มีมีเพื่อนเราเข้มาก่อนะนะมาอยู่ค้างคืนที่นี่สองคืนมาอยู่ปฏิบัติธรรมกันนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะในแนววิธีการเจริญสนะติแบบเพื่อนไหว เราหลายท่านก็คงรู้จักนะักหลวงพ่อเทียนหลวพ่อเทียนเป็นอาจารย์ที่สอนเนี่ยเป็นเกณฑ์สติแบบเพื่อนไหวแต่จริงท่าทางการเคลื่อนไหวการยกมือก็ไม่ใช่หลวงพอเทียนท่านคิดเองนะมันก็มาจากคำที่พระพุทธญาท่านสอนไว้นะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเวลาคู่แขนเข้าเหยียดแขนอ่อนนะ มันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคสอนไว้เป็นวิธีการหรือแวบหรือรูปแบบหนึ่งในการให้เรามีสติเรียกว่าเป็นออเดียกดย่อยก็ได้แต่การยกมือสิบสี่ท่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดเริ่มแรกนะแต่สลวพ่อเทียนท่านเป็นคนที่เรียกว่าลดสิ่งที่ ท่านว่ามันอาจจะเกินไปนิดนึ่งนะก็คือว่าแต่ก่อนเคลื่อนไหวไปด้วยบอดิคลังไปด้วยแล้วแต่ภาษาเนะีย่ยเราก็เรียนไปเรียนที่หนองคายเขาก็พูดภาษาอีสานภาษาลาวกันนะเขาก็ไช้คำว่าติงนิ่งติงก็คือเคลื่อนนิ่งก็คือหยุดอเคลื่ อ, น, อนมือไปด้วยบอิคลังไปด้วยติงนิ่งติง นิ่ตงตินิ่ตงตินิ่งอะไเคลื่อนหยุดนะภาษาพมา่าคนพูดอีกแบบหนึ่งภาษาการที่จริงวิธีนี้ก็เห็นเพราะว่าก็เอามาจากทางพมา่านะทางมหาจุฬานะที่วัดมห า, าธาตุก็มเนเผยแค่ก่อแต่ในภาคกลางก็อาจจะเห็นไม่ค่อยได้คนอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าทางมันอาจจะดู ดูแตกแปรก็หน่อยนะแต่ทางอีสานก็เอาไปทำเงินเยอนะก็เป็นบริกรรมไปด้วยนะยกมือไปด้วยแต่หลวพอเทียนท่านว่าอลองทําดูแบบไม่ต้องบริกรรมนะแค่เคลื่อนไหวรู้สึกรู้โดยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องพูดในใจแค่รู้สึกตัวเวลาเคลื่อนเวลาอยู่เวลาเคลื่อนเวลาอยู่แค่รู้สึกนะรู้สึก ก็กำลังทำอะไรอยู่ท่านจะทำอย่างนี้นเลื่อนไหวรู้สึกไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรต่าไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะมีวันหนึ่งเดินจมกวบอยู่นะแม่งป่องนะมันตกมานะมันตกมาจากต้นไม้ตกมาทั้งแม่ตกมาทั้งลูกเลยตกมาสุดตัวท่านนะถ้าเป็นโรเบาปกติเป็นไงแม่ป่องศพ ตกใจกันนะ <c oughs> แม่ฟองมันตบกตัวเราเราก็ตกใจตกใจแล้วก <c oughs> ็มือทางไหนนะพ อ, า, อ, ไปปะอาไปปิดปัดหรือปัดไปโดนแล้่อยก็ได้นะก็บางคลก็อาจจะตกใจนคนส่วนใหญ่ก็แบบนั้ น, นเราก็เทียนท่านทอเพล่งแม่ฟองตกใสตัวนะสติมันเกิดก็ดีค่ะสติที่ตอแรกก็ยกมือสร้งางท่านวัดหรือเดินจงกรมก็าอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรมากมายนะเขก็ทําไป แต่พอแม่งป่อมันตกมาถูกตัวมันเห็นนะแมงป่องมันก็เป็นรูปนร่างกายที่ท่ากนกําลังเดินอยู่มันก็เป็นรูปลูกกับรูปนะมันไม่ทําร้ายกันนะอืมแต่ถ้าลูกเช่นรูปของท่านรูปรูปของคนนะมันเกิดความไม่พอใจในงป่องมันอาจจะเกิดความกลัวหรือว่าก็ไปทําร้ายแมงป่องให้มันตายอย่างนี้นใไม ลกกับรูกมันไม่ทําะไรกันนะมันมีเพราะว่านามนี่แหละมาสั่งให้ลูกไปทำร้ายกันนะใช่ไแมงป่องเองก็เหมือนกันนะพอเห็นหลวงพ่ะเทียนท่านเฉยเฉยแต่ท่านยังไม่หบวชนะท่านก็เลินท่านก็ไม่ปัดท่านก็เฉยท่านก็ดูมันมันก็ดูท่านนะนะอืมมันไม่เห็นท่านแต่มีท่าทีทำร้ายท่านมันก็ไม่ต่อยมันก็พาลูกหนีออกไป พาโรคหนีออกไปแต่รูปนี้อาจจะหนีด้วยความกลัวหรือหนีได้ไม่ไม่อยากรบกวนก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะความคิดมันป่องเป็นแบบไหนแต่ท่านเห็นเห็นเห็นตัวท่านที่กําลังเดินอยู่เห็นความรู้สึกที่มันมีต่อแม่งป่องมันเป็นแบบไหนถ้าเราซู่อสัตยเฉยๆท่านก็เฉยๆมันก็ไม่ไม่ทําร้ายกันอันนี้ยะคือเริ่มแรกท่านแยกได้ แยกรูปแยกนามได้จับตัวกระตุน้นคือแหม่งปองที่ตกลงมาทำให้เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจนี่แหละตัวสําคัญจิตใจเอถ้ามันกลัวถ้ามันไม่ชอบมันก็จะไปทําร้ายตึงกันและกันได้ซึ่งมันทําให้ท่านเข้าใจตัวของท่านเองว่าที่จริงจิตใจนี่แหละมันเป็นตัวสั่งให้รูปมันทํานั่นทํานี่นะที่จริงเราก็เคยโดนหลอกมาเยอะนะ อย่างกัพอเทียนก็โดนดอกเยอะนะเดินดอกให้อซูคุุรีโดอกให้เอกินกาแฟโดนดอกให้ อ, หโดดอ่โกรธเป็นไหมพวกเราอย่างบางทีทําบุญก็ยังโกรธได้นะเจ๊ไหมทาบุญทําดีก็ยังโกรธได้นะเจ๊ไหมทํางานเสียงรู่อ้ก็ยังโกรธได้นะคือบางที เราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำดีมันจะทำให้เราเรามีความสุขนะแต่บางทีทำดีก็ทุกข์ใช่ไหมเราเคยดีแล้วก็ทุกขนะ์ทำชั่วก็อาจจะสนุกแต่ก็มาทุกข์ทีหลังอีกลนะอันนี้คือชีวิตเราก็วนๆแบบ น, น, นี้นนะไม่ว่าจะทำดีหรือทำไม่ดีนะแต่แต่ชีวิตมันก็ทุกข์นะมันก็ทุกข์มันก็มีความสุขอยู่บ้าง เรื่องประเดี๋ยวประเดา้าแต่เป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่ ย, ยั่งยืนแตนะ่การมาภาวนาแน่การมาภาวนาจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นแนวที่ทําให้เกิดสติปัญญาเนาะอ่มันจะทําให้เราเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อเทียนได้เข้าใจเรื่องการแยกรูปแยกนามได้นะภาษา บ, บ้านบ้านของเราจะเรียกว่าแยกได้ระหว่างเรื่องกายกับเรื่องใจนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่ง มันอยู่ด้วยกันเนาะแต่บางทีมันก็ทําร้ายกันหรือถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยกายก็จะทําร้ายใจใจก็จะทําร้ายกายเข้าใจไหมบางทีอยู่เ่เฉยๆเนาะก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ทําให้ร่างกายเราก็เทีอะไม่สบายเพราะอะไรนอนไม่หลับอาจจะคิดมากอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแตลใช่ไหม อยู่เฉยๆนั่งก้นน้งปาซึมไปคิดเรื่องน อ, อดีตที่คิดแล้วก็ทุกข์ใจใช่นี่คืออยู่เฉยๆใจก็มาทำร้ายร่างกายให้ทุกข์แต่บางทีร่างกายก็าก็ทุกก็เขาคอยให้ใจเราทุกข์ตานไปด้วยเยเช่นร่างกายไม่สบายจิตใจบางทีก็คอยไม่สบายตันไปด้วยเนี่ย แต่ถ้าเราฝึกสติกนะเราจะแยกได้แล้วบ่าเรื่องของกายก็ส่วนหนึ่งเรื่องของใจก็ส่วนหนึ่งเราจะมีสติสเห็นว่าให้ความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นแค่ความทุกข์ของกายนะอย่างเช่นปวดหัวเราก็เห็นว่า ท, ที่ปวดมันปวดวแต่หัวแต่ท้องขาแขนไม่ได้ปวดด้วยนะมันก็เป็นแค่ความปวดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือปวดหัวมันก็ไม่ใช่ว่าเราทุกข์นะเราปวดอแต่ก่อนเราได้คิดว่าเราเป็นผู้ปวดเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้เมื่อยแต่ต่อไปเราจะเห็นว่าท่างกายมันปวดร่างกายมันเจ็บร่างกายมันเมื่อยหรือต่อไปก็แยกได้อีกนะเอมันปวดเป็นหัวนะไม่ใช่ปวดทั้งตัวมันแยกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นอ๋อที่จริงความทุกข์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรูป แต่ไม่ใช่เราจิงๆปติปัญญาที่พัฒนาไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาแต่ทั้งคือมันจะย่อยไปเรืยนะระหว่างแยกกายแยกใจนะต่อไปมันก็จะเกิดเห็นว่าที่กินความทุกข์เนี่ยทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งนะทุกข์ใจก็ส่วนหนึ่งทุกข์กายเนี่ยต้องต้องลำบัด ต, ต้องลำเทาน้ะหิวก็ต้องกินนะไม่ใช่หิวภาวนาที่เฉื่แล้วมันจะกินนะ หิวก็ต้องกินนะเหนื่อยก็ต in er. ้องพักนะร้อนก็ต้องอาจจะอาบน้ํำนะดลบเข้ามาในห้องแอร์หนาวก็ต้องใส่เสื้อผ้าทุกของรูปเราก็จะเรียกว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องบรรเทาเขาแต่ใจไม่ต้องมีทุกข์ไปด้วยแต่ทุกข์ของใจเนี่ยมันก็มีโรคนะโรคความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรมีโรคนะ ที่เป็นต้นเหตุขอ ง, รองโรคมีตามอย่างนะเรียกว่ากิเลสก็ได้นะกิเลสคือความโลภ ค, ความโกรธความหลงเนะี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจเราสังเกต ด, ดูนะเวลาเราอยากได้อะไรหรือยังไม่ได้เนี่ยมันทุกขหมอันนะัคือความโลภนะเราอยากจะได้อะไรมันยังไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเมียกว่าปรารถนาจริงใดไม่ได้จริงนั้นน่นก็เป็นทุกข์ หรือที่จริงเราไม่ปรารถนาจะเจอกับเรื่องนี้แต่มนมาเจอมันก็ทุกข์ใช่ไหมไม่อยากเจอคนนี้เลยนะมาเจอก็ทุกข์ใช่หัหไม่อยากเจอความขัดข้าสูญเสียเลยนะแต่ความขัดข้าสูญเสียก็มามันก็ทุกข์นี่คือความความอยากนะความบางทีก็าจะเกิดเพราความโลภนะความต้องการนะที่มันเียว่าผไม่ถูกต้องนะ แต่บางทีมันก็เป็นความธรรมชาติที่เราอาจจะไม่ไอยากเป็นโรคขโมยของคนอื่นไม่ได้อยากที่จะมีชีวิตแบบเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองแม้แต่คนใช้ชีวิตปกติธรรมดาหรือบางคนเรียกว่าใช้ชีวิตแบบแนวพอเพียงก็แต่ความทุกข์ก็เจอนะใช่ไหมความพ่พายรพกสูญเสียนะี่ยเราจะเป็นเศรษฐีเราจะเป็นคน ฐานะปานกลางเราจะเป็นคนยากจนก็เจอคนทุกคนใช่ไหมเราจะเป็นคนหรือเราเป็นสัตว์เราก็ต้องเจอเหมือนกันนั้นมันไม่เกี่ยวกับนะว่าเราจะมีวิถีคีวิตแบบไหนกนะับความทุกข์เพราะเราจะเจอสิ่งที่มันไม่ปรารถนาหรือว่าเมื่อปรารถนาแล้วก็ไม่สนใจมีเงินมากทั้งหมดก็ใช่ว่าจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ตั้งใจใช่อืม อาจจะซื้อวัตถุสิ่งของได้แต่ถามว่าซื้อซื้อใจคนได้ไหม น, นะซื้อซื้อความสุขจริงๆได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อันนี้คือเหตุที่มันเกิดความทุกข์นะก็าปัจถนาในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือบางทีก็ปัจถนาในทางที่จะฝืนกฎของธรรมชาติบางทีเราก็มีความไม่พอใจนะเรียกว่าเป็นโทสนะเป็นความโกรธ ไม่อยากได้นะแต่ไม่อยากให้เขาพูดอย่างนี้แต่เขาพูดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาในเรื่อง น, นี้นนะหรือว่าความหลงนี่เขาเยอะมากหลงนี่ก็เช่นหลงว่าหลงว่าอันนี้เป็นเที่ยงมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่จริงธรรมชาติมันคือความไม่เที่ยงอันนี้คือความหลงนะหลงว่าอันนี้สวยแต่จริงธรรมชาติมันคือความไม่สวย หลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆแต่จริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆการภาวนาจะทําให้เราเกิดปัญญาค่อยๆไถ่ถอนเองเพราะเห็นว่าความจริงมันเป็นแบบไหนนะร่างกายเนี่ยมันก็ประกอบด้วยเรียกว่าขันธ์ห้านะหมือนที่เราได้สวดรูปเวทนาปัญญาสังขานวิญญาณมันประกอบกันเนะี่ยเรียกว่า ชีวิตหรือว่าเรียกว่านที่เราสมมุติว่าเรียกว่าตัวเราแต่จริงมันเป็นการประกอบกันของห้าส่วนรูปว่าส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุอีสี่ส่วนเนี่ยเป็นนามธรรมนะมันมาประกอบกันนะเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาแต่จริงมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะมันเป็นการประกอบกันนคะล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับรถยนต์นะ รถยนต์จะบอกว่ารถยนต์คืออะไรล้อคือรถยนต์ใช่หรือเปล่าอะนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าล้อรถพวงมาลัคือรถยนต์หรือเป่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือเรียกว่าพวงมาลัเครื่องยนต์เรียกว่ารถยนต์หรือเปล่าก็ไม่ใช่อันนเรียกว่าเครื่องยนต์ใช่ไหมมันเป็นแค่การประกอบมาประกอบประกอบกันทั้งหมดถึงเรียกว่ารถยนต์ ร่างกายของเราเองก็เหมือนกันนะนะ่ะมันมาประกอบกันนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะมาประกอบกันถึงเรียกว่านะ่ะถึงเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะแต่จริงมันไม่ใช่หอกจริงแท้นะเพราะว่าถ้าเราศึกษาไปเรืนะ่อยลูปเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่มาประกอบกันธนะาตุาดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันนะมาประกอบกัน เราเองกับคนอื่นนี่จริงต่างกันไม่มากนะมีธาตุคล้ายๆกันมันต่างกันไม่เยอะเราเองกับสัตว์เองก็ไม่ได้ต่างกันมากนะก็เป็นธาตุที่ประกอบกันเท่านั้นอจะเรียก ง, ง่ายๆเหมือนปั้นดินน้ํามันก็ได้นะปั้นเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยชีวิตเราก็เหมือนกันนะถ้าถ้าเราเหมือนดินน้ํามันที่โดนคนอื่นปันนะ้นอ่ะแล้วก็เบียนว่ายตายเกิดเนาะ เป็นตัดบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างเป็นยักษ์บ้างก็แล้วแต่โดนแล้วแต่อะไรที่มันจะปั้นตัวที่ปั้นมือเลยคือกรรมกรรมที่เราทํานะในภพชาตินั้นนั้นมันก็ส่งผลต่อไปในภพชา ต, ติต่อไปก็คือกรรมที่เราทำนั่นมันก็ส่งผลต่อไปให้เรา เ, เกิดเป็นอะไรแต่เกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมนะนะมันก็ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสาร น, นี้อยู่ลั่นไปแต่การมาภาวนาเนี่ยถ้าเราเกิดปัญญาค่อยๆแยกตัวเนี้มันจะทําให้เราเรียกว่าลดการเวียนว่ายการเกิดนะไม่ต้องนะกลับมาเกิดอีกเพราะเหตุของความเกิดก็คือความหลง เมื่อหลงมาเกิดมันก็เลยเกิดเป็นความทุกขนะ์เราจะฝึกปิติปัญญาอะไรให้รู้ทันนะรู้ทันเหตุของการเกิดเหตุการณ์เกิดของกรรมเนะี่ยคืออะไรคือจิตใจนะเราจะทํากรรมอะไรเนี่ยมันเกิดจากจิตก่อนลองดูเราจะพูดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากจิกนะกนะจจกต ก, จ ก, จก่อนนะมันมีจิตมาถึงไปสั่งให้พูด แต่บางคนเขามักพูดว่าพูดก่อนคิดนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะไม่จริงอาจจะคิดนั่นมันเป็นตัวเรียกว่ายังคิดแต่จริงมันเกิดกระบวนการไปในจิตเกิดความรู้สึกเกิดความคิดในจิตแล้วก็พูดออกมาที่จริงทุกเหตุเนี่ยมันเกิดจากจิตใจทำนั้นในเกิดเป็นการพูดเกิดเป็นการกระทําเราจะมาฝึกอย่างไรให้เรา เรียกว่าไม่ทํากรรมไม่ทํากรรมด้วยความคิดไม่ทํากรรมด้วยความพูดไม่ทํากรรมด้วยนะการกระทํากรรมในที่นี้หมายถึงว่ากรรมที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นต่อเป็นพบเป็นชาตินะนะคำว่าบภพบชาติคือการเฉลยการเป็นส่วนตนนะเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาเพียงลำหนึง่งรู้สึกไหมอย่างเช่นเราทํางาน เสร็จวเราบางทีความรู้สึกอืมเรารู้สึกเก่งรู้สึกหรือว่าพูา ง, ง่ายนะถ้าสอบได้ที่หนึ่งสอบได้คะแนนสูงส่วนตัวต น, นมันคือคือเราเก่งเราดีสมมตินืนมยังไงหรือหรือบางทีเป่นเราทําบุญเเราให้เราช่วยเหลือคนอื่นนะเราก็รู้สึกว่าเราเราได้ช่วยเหลือเขา แต่บางทีเราก็อาจจะไม่เห็นชัดนะแต่สมมุติว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาไม่ขอบคุณเร า, างไงความรู้สึกตัวตนมันจะเกิดขึ้นมารู้สึกไม่พอใจทำไมไม่ขอบคุณท่านทีอันนี้คือบังทีตัวตนมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราทําแล้วเออถ้าสมมุติเขาไม่ขอบคุณเขาไม่ว่าอะไรเราแต่ถ้าเราก็ยังเฉยๆได้เรารู้สึกว่า สิ่ที่เราทําเราก็ทําเพื่อที่ให้มันก็จบแล้วอันนี้คือเราไม่สร้างภพสร้างชาติต่อนะไม่ต้องไปตร้างว่าเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เราเป็นคนที่รอนคนนั้นคนนี้ทุกอย่างถ้าเราทําแบบไม่เอาตัว ต, ตนเข้าไปทําด้วยเนี่ยนี่เรียกว่าการไม่สร้างภพสร้างชาติเนาะนะทําเป็นเพียงแค่กิริยาเฉยๆธรรมดา หรือว่าทำด้วยการละตัวตนนะถ้าเรามีสติเราก็จะทำแล้วก็จบทำแล้วก็จบนะหรือว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนต่อมานะเราต้องรู้ให้ทันนะการฝึกสตินี่คือฝึกให้รู้ทนะันเรียกว่าโรคกระทำโดยเฉพาะในโ ร, ก, งงรกระทำนะมีโศมีทุกข์มีนิมิตามีสันนิษนะน มีได้รากเสริมรากมีได้ยศเสริมยศนะมีไอ้ที่พูดนี้คือความที่มันเป็นโรคกระทำที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเราจะทำาฟังอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะมีคนชมอาจจะมีคนว่าใช่ไหมแต่การฝึกภาวนาจะทำให้เรารู้ทันรู้ทันจิตรู้ทันใจที่มันพอใจหรือไม่พอใจนะถ้าเรารู้ทันละ เราจะไม่ไปยึดว่าเราเป็นผู้พอใจหรือเราเป็นผู้ไม่พอใจนะสติจะทำให้เราไม่ยึดมันนะการกระทำนั้นๆหรือว่ากิริยาที่เกิดจากการกระทบนั้นๆมันก็จะตกไปนะอันนี้คือเราฝึกแบบนี้นะฝนะึกสตกนะิมันจะทำให้เราไม่สร้างภพสร้างชาติไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะการภาวนาวิธีไหนก็ได้แต่เราเพื่อ ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงนะนี่คือปฏิบัติธรรมเพื่อตรงเนียนนะแต่ปฏิบัติธรรมด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดนะมันเห็นผิดอนะมันต้องตึกให้เห็นถูกนะเห็นถูกคืออะไรเห็นถูกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงนะต้องตื่นแบบนี้เห็นถูกคืออะไรเองเห็นถูกคือว่าเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเที่ยงความคิดก็ไม่ใช่ของเที่ยงความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเที่ยงร่างกายก็ไม่ใช่ของเที่ยงอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเที่ยงร่าหกายมัยนไม่นับเห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะคำว่าทุกข์คือว่ามันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ทนะังเกตไหมเช่นดีใจเนี่ย มาดีใจทั้งวันได้ไหมสุขใจสุขใจทั้งวันได้ไห ม, มโกรธโกรธทั้งวันได้ไหมเพาะว่าบางทีกินข้าวบางทีก็ดื่มไปทักทักหนึงนะอาจจะโกรธมาอีกนะแต่มันไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนนะมันมีช่วงขณะดับไปเนะี่ยดับไปโกรธตลอดนะทีดับหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะตอนนอนอาจจะโกรธ ตือนขึ้นมาก็โกรธอีกเราเลยรู้สึกว่าเหมือนโกรธต่อเนื่องแต่จริงตอนนอนหลับมันอาจจะพักไปสักพูดหนึ่งไม่มีอะไรที่มันเรียกว่ามันมันต่อเนื่องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะบังคับให้สุขตลอดได้เนาะเรามองให้เห็นแบบนี้นนะนี่คือตัวปัญญาปัญญาพวกนี้เราจะเกิดได้ในต้เกิดจากการภาวนาฝนะึกฝึกเจริญสตินะ แต่นแนวไหนก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เราอาจจะลองมาฝึกแนวเรียกว่าเจิสติแบบเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวเอาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเป็นตัวสร้างสติสติถามว่าพวกเราก็มีนะพี่จริมสติเราขับรถเราเดินเราพูดคุยเราไม่เสียสติต้องเข้าโรงพยาบาลนะจิตเวชเลยนะเราเรียกว่าเรามีสติแต่นั้นเรียกว่าสติโดย ภาษาโลกนะเป็นแบบหนึ่งนะสติไม่ลืมของสติไม่เข้าลงในาบานสติที่เราอยู่กแบบับชุนชนปกติได้นเรียกสตกิเป็นแบบโลกโลกแต่เราจดจุติเราสร้างสติอันนี้มันมากกว่าสติแบบโลกโลกนะนะมันเป็นสติในทางธรรมสติในทางธรรมคืออะไรคือรู้ทันกายรู้ทันใจ ในปัจจุบันนะไม่ใช่ไปรู้ทันกายหรือทันใจในอดีต น, นะรู้ว่ากายตอนนี้กำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งนะเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนะนอน ก, ก็รู้ว่านอนง่าย <c ười> กินก็รู้ว่ากินนะดื่มน้ําก็รู้ว่าดื่มน้ํามันง่ายมากนะแต่ของง่ายๆแบบนี้แหละ คนที่ดว่ปฏิเสธฉลานมันมองข้ามมันมองข้ามชอดนะไปอนาคต <c oughs> ใช่ไหมคือเราไม่รู้อยู่กับปัจจุบันนะเราเดินเนะี่ยเป็นเป็นเดินไปซื้อของใจเราไปเลือกซื้อก่อนลนะจะไปซื้ออะไรใช่ไห ม, มนี่คือคนเราจฉลาดเกินไปมันเลยข้ามชอดไปเราเดินเราก็ไม่อยู่กับการเดินหรือเรากินข้าวเห็นใจไหม เสียเวลากินไปต้องคิดไปเิใช่ไหมกินไปต้องคุยไปมันจะได้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพแต่จริงเราลืมตัวว่าเรากำลังกินอยู่แล้วก็เลยไปอยู่กับความคิดอยู่กับอะไรการปฏิบัติธรรมแค่กลับมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาที่สุดนะเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกินก็ให้รู้ว่ากำลังกินนะตื่นอะ หายใจเข้าก็ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกแค่นี้เองนะนนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราหลงบ่อยมากเรานั่งอยู่สักพักใจเราก็จะลอยอืเราเดินอยู่สักพักใจก็จะแวะบไปคิดแนละ้วมมันจะเห็นแบบนี น, นะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เราผิดปกตินะแต่ที่จริง ให้ปกติที่เราหลงแบบเป็นแบบนี้นานแล้วแต่เราไม่ทันนะพอเราแวะไปคิดมาก็คิดจนกระทั่งจบเรื่องจบเรื่องที่หนึ่งก็ตอบไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามบารู้ตัวอีกทีก็เหมือนบางทีก็คิดจนน้ำตาไหลแล้วเนาะรู้ตัวอีกทีก็น้ำตาไหลนะมีเมื่อวานเนอนึ่งมีโยมคนหนึ่งนะเหนงเ็นคนที่ศรัทธามากนะม า, าหาที่นี่นะ รู้ตัวไอคีจากชั้นสามหรือชั้นสี่ลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ด้วยความศรัทธาด้วยความดีใจเนาะพอเห็นนีเป็นคนที่ศรัทธามาหาเดินลงมาเลยอืมมารู้ตัวไอีก็ลงมาหาแล้วอันนี้ก็มันไม่เป็นธรรมชาติหรือเราเคยไหมบางทีก็รู้ตัวไอคีตอนออกจากห้างแล้วหรืออะไรเต็มมือเลยเตมสองมือเลยมันตอนที่จะ จิตมันอยากจะได้เงิไม่ทันนะเราที่ใจเงินก็ไม่รู้แต่ถามว่าดูตัวได้ถูกไหมก็ถูกนะออแต่มันไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่เราซื้อเนี่ยมันมันไม่ได้ตั้งใจซื้อเนาะอะไรใช่ไหมอันนี้คือความลึงตัวของเรานรับมัมีเยอะเราก็เลยมาฝึกไม่รู้ทันนนอกจากรู้ทันร่างกายที่กําลังทําอะไรแล้วส่วนหนึ่งจะทําให้เราทันใจ ใจใจที่มันอยาดใจที่มันโกรธหรือใจที่มันหลงเราฝึกนทะี่มันทานตรงนี้นแหละนะเมื่อเราทานแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรแต่ก่อนใจเป็นคนครอบงำครนะอบงตกิเลสกิเลสที่มีความคิดความหลงครอบงาชีวิตจิตใจของเราต่อไปสติจะเป็นเจ้านายแทนกิเลส มันคล้ายๆเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าอยู่สมมติเราเคยมีมมมหัวหน้าที่หัวหน้าที่แบบไม่ดีนะเขใช้คำนั้นคงนี้เราก็มีความสุขนะเพื่อนโรงงานก็ไมมีความสุขคราวนี้เราเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เป็นเจ้านายที่ดีนะดีก็เราจะใช้ชีวิตใช้วาจาของเราในทางที่ดีมันเปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนผู้นำนะ อันนี้พูดนาทั้งโลกก็เรื่องหนึ่งนะแต่นี่พูดนาจิตใจของเรานะเราเรื่องพู้นาจิตใจของเรานะผู้นาจิตใจที่มีสติมีปัญญานะจะนาพาชีวิตออกในทางที่ดนะีมันก็จะเกิดการมีสติภนะากายทำตื่งที่ดีมีสติภาวาจาพูดในทางที่ดีมีสติในการรู้จัดจใช้ความคิดตอนไหนควรคิดมันก็จะใช้ความคิด ตอนไห น, นวางความคิดมันก็จะวางได้นะปัญหาของคนส่วนก็คือเราฝึกฝึกฝึกให้คิดเก่งนะหรือว่ารู้จักคิดแต่เราไม่รู้จักวิธีวางความคิดคล้ายๆจะเสียบเหมือนรถอ่ะมีแต่คันเร่งแต่ไม่มีเบรกนะอันตรายนะนี่เราต้องเหมือนกันนะ เรารู้จักคิดชอบคิดชังนะแต่เราไม่รู้จักวางความชอบความชังอันนี้อันตรายสติจะช่วยให้เรารู้จักทันตัวนี้แหละเนาะเนใี่ยค่อยค่อยฝึกไปเนาะอันนี้คือสิ่งที่ที่พวกเราก็ลองเรียนรู้ดูแล้วก็วิธีฝึกตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้ทุกที่นะไม่ใช่ว่าจะต้องมาฝึกแค่ตรงนี้หรือว่าต้องนั่ง ทำท่ายกมือ14จังหวัดหรือเดินกลับไปกลับมาเพราะวิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยมันเป็นวิธีที่เอาไปใช้ได้ตลอดเวลาเลย น, นะยืนเดินนั่งนอนเสี่ที่อยบนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวต้องมียีรีบทในยู่บทหนึงน่งนะในแต่ละแต่ละคณะแต่ละคณะใช่ไหมครับการเคลื่อนไหวก็มันเคลื่อนไหว เราก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาเอาความรู้สึกตัวเข้าไปรู้ว่าร่างกายกําลังเคลื่อนไหวอยู่อันนี้แหละเป็นวิธีฝึกสติมีส่วนหนึ่งก็คือรู้ทันจิตใจจิตใจมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดความคิดขึ้นมาเราก็รู้ทันคําว่ารู้ทันนี้คือเห็นเห็นมันเป็นความคิดเห็นเป็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะ อืเห็นความคิดก็ส่วนหนึ่งให้ตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งนะเห็นแบบนนีะ้ไปเรื่อยๆปัตติปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็อาจจะมาเริ่มต้นฝึกนะแต่ก็ต้องไปฝึกต่อนธรรมะามันเป็นเรื่องที่คล้ายๆต้องมาไปทาให้มันต่อเนื่องแล้วก็มันจะค่อยๆเกิดผลมากขึ้นของมันเองเนาะนะนะ ก, ก็ฝากไว้นะ ส่วนสำหรับผู้ที่